คือถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จนแจ่มแจ้งแล้วต้องเชื่อใครไหมว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นเนี่ยนะกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากวิบากเป็นปัจจัยแก่กิเลสกิเลสเป็นปัจจัยแก่กรรมกรรมเป็นปัจจัยแก่วิบากต้องเชื่อใครไหมถ้าถ้าถ้ามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้จนแทงตลอดดีเนี่ยนะหรือเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเนี่ยนะคือ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 แล้วก็ตลอดจนถึงว่ามีความรู้รู้ยิ่งด้วยตนเองวันนี้ทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะก็คือเห็นอริยสัจเนี่ยนี้อาสวะนี้เหตุเกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะนี้เหตุเกิดความดับอัาธาอาทีนวะนิสระของมหาภูตรูปสี่หรือเหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวะนิสรณะของอุปาทานขันห้า หรือว่านี้เหตุเกิดความดับอาสาทาอาทีนวะนิสรณะของภาษายตนาหกหรือรู้ว่านี้อภินญ ย, ยธรรมนี้ปริญยญาธรรมนี้สัจฉิ迦ตปธรรมนี้เป็นภาเวตประธรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้เชื่อว่ารู้ยิ่งตลอดจนถึงทําให้แจ้งหมดพรานนั้จนถึงก็รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ย เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านั้นเนี่ยควรทําให้แจ่มแจ้งเพราะนั้นใครๆอื่นจะเป็นสมณพราหมณ์เทวดาหรือพรหมนะและไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองอันประจักษ์แก่ตนเองคือความเกิดความดับอสสาธาอธีนวะนิสรณะของผัสสายยตนาหอุปาทานขันห้ามหาภูตรูปสีต่อใครๆอื่นซึ่งเป็นสมณพราหมณ์เทวดาพรหมเพราะนั้นไม่เชื่อธรรมะที่รู้ยิ่งด้วยตนเองคือไม่ต้องไปเชื่อใครอีกเลยในเรื่องการตรัสรู้สิ่งนั้นเนี่ยนะ เช่นว่าถ้าเรากินอิ่มเนี่ยต้องเชื่อคนคนอื่นไม่ว่าอิ่มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าปวดหัวเนี่ยต้องเชื่อคนอื่นไหมว่าปวดหัวมันเป็นอย่างนี้เป็นต้นอาการแทงตลอดมรรคผลแทงตลอดอริยศัสตร์เป็นตน้นก็ไม่ต้องเชื่อใครๆไม่ว่าจะเป็นสมณะพรามเทวดาหรือพรมสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรเธอย่อมเชื่อหรือว่า อินทรีห้าคือสัตทินรีวิริยินทรีสตินสีสมาทินรีปัญญินทรียที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นธรรมชาติอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดถ้าเจริญสัตทินรียคือแทงตลอดโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสีเนี่ยนะเจริญวิริยินทรีคือสัมมาประธานสีเจริญสตินรีคือสติประฐานสีเจริญสมาทินรีคือ ฌานสี่เจริญปัญญรี์เห็นอริยสัจสีเนี่ยถ้าอินสี่ถ้าจเจริญอบรมทำอินรี่ห้าให้มากแล้วเนี่ยยังลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดเนี่ยเธอต้องเชื่อผู้อื่นไหมต้องเชื่อไหมไม่ต้องท่านภาษาริบุตรก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้อนี้ข้าพระองค์ไม่ถึงความเชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือปัญญินทรียห้าเนี่ยที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นธรรมชาติอย่างลงอมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นอะชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไ ม, ไม่ทราบไม่ทําให้แจ้งไม่ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นพึงถึงความเชื่อต่อชนเหล่าอื่น ข้อนั้นโดยแน่นอนว่าบุคคลที่เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นคุณชาติยังลงอมะตะมีอมะตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดนะถ้าใครที่ยังไม่ได้เจริญไม่ได้อบรมไม่ได้บรรลุเนี่ยนะก็ต้องก็ต้องเชื่อผู้อื่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนว่าศรัทธาไอศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานั้นนะชนเหล่าใดรู้เห็นทราบ ทำให้แจ้งถูกต้องแล้วด้วยปัญญาชนเหล่านั้นไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นว่าศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นคุณชาติอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดนะนะอย่างพวกเราทั้งหลายใช่ไหมยังไม่ได้แทงตลอดไม่ได้อบรมอินทรีห้าเราก็ต้องอาศัยความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าแต่ภาษาบุทท่านต้องอย่างนั้นไหม พระอรหันทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระภาษารีบุตรจึงบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานั้นข้าพระองค์เห็นทราบทําให้แจ้งถูกต้องแล้วด้วยปัญญาข้าพระองค์ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในข้อนั้นว่าศรัทธาวิริยสมาสติสมาธิปัญญาที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นคุณชาติอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุด จะต้องเชื่อผู้อื่นไหมว่าเออเนี่ยถ้าอบรมอริยมรรคแล้วนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าอริยมรรคเกิดก็ไม่ต้องเชื่อแล้วทั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสาหริบถูกละถูกละก็คือสาทุส า, สาทูนะดูก่อนสาหริบเป็นความจริงสัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานั้นชนเหล่าใดยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่ทําให้แจม่มแจ้งไม่ถูกต้องด้วยปัญญาชนเหล่านั้นก็ยังต้องเชื่อผู้อื่นอยู่อย่างเช่นพวกเราทั้งหลายก็ยังต้องเชื่อ พระพุทธเจ้าอยู่แต่ถ้าชนที่เจริญแล้วทําให้มากแล้วซึ่งศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะก็จะต้องอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีอมะตะเป็นที่สุดอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นและพวกก็ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่านรชนใดเป็นผู้ไม่เชื่อใครๆ ร, รู้ว่านิพพานอันปัจจัยอะไรๆทําไม่ได้คือนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนะ ตัดที่ต่อกำจัดโอกาสคลายความหวังเสียแล้วนรชนนั้นชื่อว่าเป็นอุดมบุรุษนะบุรุษที่สูงสุดก็คือเห็นนิพพานเนี่ยนะโดยเฉพาะแทงตลอดด้วยอรหัตต น, นะนผหตผลเนี่ยนะอันภาหารเนี่ยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเนี่ยนะไม่ต้องอาศัยศรัทธาเป็นต้นในการบรรลุอริยสัจไม่ต้องแล้วคาว่าไม่คลายกำหนัดความว่าภารับปุตชชนทั้งหลายย่อมกาหนัด พระเสขาเจ็ดพวกรวมทั้งกัลยาณปูุชนย่อมคลายกำหนดเพราะท่านกําลังเจริญอยู่ก็คลายนะส่วนพระรหารเนี่ยไม่กําหนดทั้งไม่คลายกําหนัดเพราะพระทหารนั้นเป็นผู้เป็นผู้เวน้นเพราะสิ้นราคะโทสะโมหสิน้นพระทหารนั้นเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเนี่ยนะมีจารณาประพฤติปฏิบัติจนถึงกําจัดกิเลสไม่สามารถที่จะมีปฏิสนธิในภพใหม่อีกต่อไปเพราะนั้นจึงชื่อว่า ท่านไม่ต้องเชื่อใครๆเพราะคลายกาหนัดสรุปคาถาที่กล่าวไปแล้วว่าบุคคลผู้ไม่มีความยินดีในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่ประกอบในความดูหมิ่นผู้ละเอียดมีปฏิพานไม่เชื่อใครๆและไม่คลายกำหนัดนะที่กล่าวไปก็เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ส่วนคาถาต่อไปว่าบุคคลไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบ ไม่ใช่ว่าเรียนธรรมะเพื่ออยากได้ลาบนะไม่ใช่เรียนธรรมะเพื่ออยากได้ปัจจัยสี่เนี่ยนะไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบไม่ต้องเสียไม่เสียใจเลยที่ไม่ได้ลาบว่างั้นเป็นผู้ไม่พิโรธและไม่ติดใจในรสเพราะละตันหาเไม่ติดใจในรสด้วยอำนาจแห่งตันหาแม้แต่นิดเดียวตรงนี้สําคัญมากนะที่บอกว่าไม่พึงศึกษาเพราะอยากได้ลาบแล้วก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบดังต่อไปนี้ว่า บุคคลศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นยังไงเห็นะมาดูว่าคนที่ศึกษาเพราะลาบเป็นยังไงดูการพิสูจนทั้งหลายภิสูุนในธรรมวินัยนี้เห็นภิกษุได้จีวอนบินทบาทเสนาสนะและกขีลานะปัจจัยเพสัชบริขารเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรเนาะท่านผู้นี้จึงได้จีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัชบริหารเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะเหตุไรเนาะ อ๋อพระท่านผู้นี้ทรงจำพระสูตรด้วยเหตุนี้ท่านผู้นี้จึงได้ปัจจัยสี่โอ้ที่เขาโด่งดังเนี่ยนะมีชื่อเสียงมีลาบสการะเนี่ยเพราะเขาจำพระสูตรได้เราเอามั่งนี่นะเพราะฉะนั้นเธอหวังได้ลาบก็เล่าเรียนพระสูตรเพราะเหตุแห่งลาบเพราะปัจจัยแห่งลาบเพราะกรณะแห่งลาบเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาบพิสูจ์ย่อมศึกษาเพราะอยากได้ลาบ แม้อย่างนี้นะเห็นเขามีชื่อเสียงโด่งดังเขามั่งมีสีสุกร่ำรวยบริบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัยสี่บำเร อ, อยู่เอามั่งอะนะเราก็อยากดังกับเขามั่งอยากได้ลาบแบบนั้นบ้างเลยอีกอย่างหนึ่งภิก ษ, เะนะกษุเห็นภิกษุเห็นภิกษุผู้ได้ปัจจัยสี่คือจีวลบินทะบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสรรัชบริขารก็เลยคิดว่าเนี่ยที่เขามีอย่างเนี้ยเพราะอะไรอ๋อเพราะขันผู้นี้ทรงจําพระวินยัย อ๋นนะอท่านผู้นี้เนี่ยท่านแตกฉานอภิธรรมนะท่านจำอภิธรรมได้เพราะฉะนั้นเธอจึงได้ปัจจัย4เพรา ะ, ะเธอหวังจะได้ลาบบ้างนะอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างก็เลยเรียนพระวินยัยเรียนพระอภิธรรมเป็นต้นเนี่ยเพราะเหตุแห่งลาบเพราะปัจจัยแห่งลาบเพราะกรณะแห่งลาบเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาบพิสุย่อมศึกษาเพราะอยากได้ลาบอย่างนี้นะเรียนเพื่อลาบนะ เรียนเพื่อเพื่อเนี่ยเพื่อเห็นเขามียศมีตำแหน่งมีลาบมีสรรเสริญได้รับความสุขหมาเอามั่งเลยนะอยากจะเป็นแบบเขาอะ่ะอีกอย่างหนึ่งพิสูจเห็นพิสูนได้จีวอนคือได้ปัจจัยสี่เธอก็มีความคิดว่าอ๋อท่านผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ได้ปัจจัยสี่เนี่ยเธอก็คิดว่าเขาได้ปัจจัยสี่เพราะอะไรก็รู้ว่าอ๋อเขาได้ปัจจัยสี่เพราะเขารักษาธุรง นะรักษาธุดงอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบินเถาบดเป็นวัดถือผ้าบังสกุลเป็นวัดเป็นต้นเนี่ยแหะเขาโด่งดังเขามีชื่อเสียงเขามั่งมีด้วยปัจจัย4ี่นี่เพราะเขารักษาธุดงเพราะฉะนั้นเอาบ้างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอหวังได้ลาบก็เลยอยู่ป่าเป็นวัดก็เลยสมาทานธุดงเอายยกใหญ่เนี่ยนะเพราะอยากได้ลาบสการะเนี่ยนะเพราะปัจจัยแห่งลาบสการะก็มีแน่ในเรื่องในมัชฌิมานิกาเนี่ยในอัตตกถามัชฌิมนิก า, นะก า, ม, ม, กามีพระพิสุรูปเนี่ยเป็นหลวงตาแก่ละ สมัยนั้นเนี่ยคนเขานับถือพระทูดงกันมากเนี่ยนะว่าโอ้ยพระที่เป็นทูดงเขาจะยกย่องนับถือบูชากันมากอนะแกก็อยากจะให้คนนับถือบ้างก็เลยสมาทานทูดงอยู่ป่าชาก็พอไปอยู่ในป่าชาเนี่ยตัวเองเนี่ยสมาทานไม่ได้ด้วยสุด จ, จิตใจอะไรเพจริงๆก็อยากให้คนนับถือนะก็เลยสมาทานไปอยู่ในป่าชาทีนี้ไอ้ป่าชานั้นก็มี โ, โคแก่ตัวหนึ่งเขาปล่อยมามันกินหญ้าอยู่ในป่าชาทั้งคืนนั่นแหละทีนี้น ไ, นไอ้โคแก่เนี่ยแกก็มาใกล้ๆที่แกนั่งอยู่นั่นแหละ นะโคมก็กัดกินหญ้าคุออดคาดคุออดคาดหลวงตาแกก็เลยบอกโอ้ยเนี่ยเทา้าสกะพระอินทร์เนี่ยรู้เราเลยว่าเราเนี่ยสมาทานด้วยจิตที่ไม่บริสุทธิ์หวังจะหลอกลวงนี่แหละว่ากันก็เลยอ้อนวอนใหญ่ยยว่าท่านสัตบุรุษโปรดให้โอกาสแกข้าพเจ้าเถอะข้าพเจ้าจะไม่ทําอย่างนี้อีกต่อไปแล้วก็ไหว้วัวอยู่ทั้งคืนประโลกประโลกกันนั่นแหละทั้งคืนบนพร่มอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะว่าเห็ตแล้วหลับแล้วจะไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วเนี่ย น, นะ พูดอยู่ทั้งคืนพอสว่างมาเห็นโคลกันแหมไอ้เจ้าโคเจ้ากล้ำเนี่ยนะมาหลอกข้าทั้งคืนก็เลยเอาไม้หวดโคเข้าไปเนี่ยนะนั่นแหละก็เราว่าทําเพราะอยากได้ลาบมันก็เดือดร้อนนะนะก็เราว่ากลัวผีมากนะกลัวพระอินจะรู้ว่าเออเนี่ยเราทําด้วยความไม่สุดจริตใจบางท่านส่วนผู้ที่ไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบเป็นยังไงคือภิกษุไม่ศึกษาเพราะเหตุแห่งลาบเพราะไม่ศึกษาเพราะปัจจัยแห่งลาบ ไม่ศึกษาเพราะกรณะแห่งลาบไม่ศึกษาเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาบไม่หวังได้ลาบย่อมเล่าเรียนพระสูตรเล่าเรียนพระวินยัยเล่าเรียนพระอภิธรรมเพื่อประโยชน์แก่ ก, การฝึกตนที่เรียนมาเนี่ยต้องการฝึกตนด้วยสมถะวิปัสนานะต้องการฝึกตนด้วยวิปัสนาเพื่อสงบตนด้วยสมถะหรือสมาธิเนี่ยนะเพื่อให้ตนปรินิพานด้วยอนุปาธาปรินิพานทันที่เรียนพระสูตรคืออธิจิตตสิกขาเรียนพระวินัยคือที่ศีลแลสิกขาเรียนพระอภิธรรม คืออธิปัญญาศิกขาก็เรียนเพื่ออบรมสมถาวิปัสนาสมถาวิปัสนาที่อบรมบริบูรณ์ก็ยังอริยมรรคให้เกิดอริยมรรคทั้งสีที่เกิดแล้วก็เป็นปัจจัยเพื่อปรินิพานเพราะฉะนั้นที่เรียนศึกษาวินัย เรียนพระไตรปิฎกก็จุดประสงค์เพื่ออบรมมาที่ศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่อการอบรมมาที่ศีลอธิจิตอธิปัญญาเพื่อให้เกิดอริยมรรคอริยมรรคตัดกิเลสก็เพื่อดับขันตัปปะรินิพานอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ศึกษาพราะอยักได้ราบนะนะก็ศึกษาเพื่อเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นศีลตรงนี้เป็นสมถะตรงนี้เป็นวิปัสสนาตรงนี้เป็นมรรคเป็นผล ก, ก็พิเพียาปฏิบัติตามที่เรียนรู้ตามที่เข้าใจนั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งภิกษุไม่ศึกษาเพราะเหตุแห่งลาบไม่ศึกษาเพราะปัจจัยแห่งลาบไม่ศึกษาเพราะกรณณะแห่งลาบไม่ศึกษาเพราะความเกิดขึ้นแห่งลาบไม่หวังได้ลาบย่อมเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัด น, นะคือไม่ได้ปรารถนาลาบสการะอะไรแต่ก็สมาทานทุดงสมาทานทุดงเพราะเพราะอาศัยความเป็นผู้ปรารถนาน้อยสันโดษความขัดเกลาวความสงัดความเป็นผู้ต้องการด้วยกุศลแต่อย่างเดียวเท่านั้น นะที่ต้องที่มารักษาธุดงที่สมาทานธุดงก็เพราะต้องการกำจัดกิเลสผันภิกษุไม่ศึกษาเพราะอยากได้ลาบอย่างนี้นะทีนี้ต่อไปก็ไม่โกรธเพราะไม่ได้ลาบานะส่วนพวกที่โกรธเพราะไม่ได้ลาบเป็นยังไงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ยังโกรธขัดเคืองแค้นใจทาความโกรธทำความขัดเคืองแสดงความยินดีไม่ยินดีให้ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้สกุล คือไม่มีสกุลอุปถาคเลยพวกญาติก็ไม่เลี้ยวแลเราเลยอ่ะนะโยมก็ไม่มาปวรนาไม่มาเป็นอุปทาเราซักคนเลยนะก็เนี่ยโทสะแลนะหงุดหงิดหรือเรานี่ไม่ได้มีไม่มีหมู่มีคณะเรานี่ไม่มีราบคือปัจจัยสี่เราไม่มียศไม่มีบริวารไม่มีเขานับถือไม่ได้รับการสรรเสริญไม่ได้รับความสุขไม่ไดจีวอนบินทบาทเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเพศสัตวบริคารป่วยไข้ก็ไม่ได้มีคนมาเลี้ยวแลป่วยไข้เลยนะ ป่วยไข้เขาก็ปล่อยไว้ทิ้งข้างซอยนะเพราะไม่มารับเราไปเลยก็เสียใจแม้กระทั่งโดยในฝันเน่ยนะพราะเขาไม่รับเราไปเลยเนี่ยนะอย่างนี้แหละก็เสียใจพวกนี้เขาเรียกว่าโกรธเพราะไม่ได้ราบ